พระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นวันณะหนึ่งในวันณะสี่พรามกษัตริย์แพทย์สูตรพระสงฆ์เนี่จัดเป็นพรามคือนักพรตเขาวัดกันด้วยศีลนะพราม์นี่จะมีศีลมีศีราจวัตรมีความอดทนเป็นที่ตั้งกษัตริย์ในเขามี อาวุธเป็นเครื่องมือมีอิสริยยศเป็นอาวุธพระสงฆ์เนมีขันธิธรรมมีขันติเป็นอาวุธกษัตริย์พราหมณ์มาบ้านเราแผลงเป็นกษัตริย์เพราะเราให้เกียรติกษัตริย์มากกว่าอย่างอื่นมีกษัตริย์มานับสองความปกติเนี่ยกษัตริย์ รามคือนักพจนนักปวนมาก่อนแพทย์เนี่ยหมายถึงไม่ได้หมายถึงหมอนะแพทย์หมายถึงพ่อค้านะพ่อค้าขหาบดีทั้งหลายคนรวยกนเรียกว่าแพทย์สุตราลิลวสูตรเนี่ยคือคนกรรมกรเป็นกรรมกร ในสังคมบนเดียก็จะมีแบบเนี้ยพราหมณ์กษัตริรรย์กษัตริย์ทำไมถึงนักปกครองทั้งหลายแพทย์สูตรที่นี้เขาห้ามแต่งงานข้ามบรรณะกันถ้าแต่งงานข้ามบรรณะกันก็ออกมา ล, ลูกออกมาเป็นจันธานนะจันธานรียกบนงทีเรียกว่าจันทเราเคยได้ยินนะน้ำจันท์เนี่ย น้ำจันทร์สเสวยน้ำจันทร์ถ้าเป็นน้ำจันทร์เลยถือว่าน้ำสุกปกอะจันทร์น้ำเล่าโอยน้ำอันตรายน้ำฉิบหายถ้าวันวันณะจันทานก็เป็นวันณะที่ฉิบหายวันณะที่เสียหายเสียหายเพราะว่าเราแต่งงานข้ามรุ่นข้ามวันณะกันออกมาจะเป็นอ เป็นจันธานนั้นเขาไม่ให้แต่งงานกันถ้าแต่งงานข้ามถือว่าผิดนั้นเขาจะรักษาสถานะความเป็นวันนะอย่างดีเลยนะจันทานก็พวกขอทานทั้งหลายเขาไม่ให้เขาวันะนะแต่งงานข้ามกันมีในพุทธศาสนาในมีประวัติหลายตอนหลายรูปหลายองค์ ที่เป็นพระภิกษุณีเป็นพระภิกษุที่แต่งงานข้ามบัณะกันส่วนมากผู้หญิงเนี่ยแต่งงานไปแต่งงานกับคนชายผู้หญิงนะผู้ชายแต่งงานกับคนชายนั่ก็จะมีน้อยก็จ ะ, จะมีคนที่เคยเลอยฝั่งที่เชียงใหม่นะที่เป็นคนคอทานนะผู้หญิงเนึ่งแต่ว่าผู้ชาย ขอแต่งด้วยหลักการปฏิบัติของพรามจะเน้นเรื่องการถือศีลนนะมีมีตบะมีตบะมีสัจจนะพวกพรามนี่เขาจะมีตบะเราได้ยินว่าบัเป็นตบะบัเป็นตบะคือมีความอดทนเป็นเลิศนะเอาความเปลี่ยนเพ่ง เขาความคิดความอยากพราหมณ์เนี่ยแล้วมีสัจจะอธิษฐานกับตัวเองจะทําอะไรก็คือตั้งใจมั่นเป็นอย่างดีอนะไรเนี่ยตั้งใจทําเป็นอย่างดีเขาตั้งใจทําให้ดีทําให้ถูกต้องจริงจังมากนะพราหมณ์แล้วอันหนึ่งก็คือพรหมจรรย์พราหม์ ก็จะมีช่วงในอาสมสีคือเกิดมาแล้วเนี่ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาของพราหมณ์แต่ละขั้นตอนของชีวิตเนี่ยขั้นตอนนี้เรียกว่าอนี้ขั้นตอนนี้นเรียกว่าอาสมเป็นอาสมอาสมอาสมอาสมนี่คือระบบการศึกษาระบบการใช้ชีวิตของพรามณ์สัญญาสีวรณปรัตน์ เป็นพรามหรือเป็น อ, อ, อันหนึ่งนะคือวิจีชริตจันเป็นชันเป็นชันโตมาแล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นนะมีตะบะมีสัจจะมีอันหนึ่งก็คือมีพรหมจรรย์เขาบอกพรหมจรรย์นเนี่ยความหมายดั้งเดิมคือนะไม่ประพฤติคือไม่เสพกามนั่นเองอนะพรหมจรรย์นเนี่ย พระพุทธพโมจันทร์ความหมายง่ายคือไม่เสพกามคือไม่บริโภคกามเหมือนชาวบ้านเขาอันเป็นเหตุให้ยึดติดปู่มัดใจนะพระพุทธเจ้าง บ, บอกว่าถือเป็นเรื่องอันตรายมากอันตรายก็คือเหมือนนะเอามือล้วงก็ในปากงูอะไรประมาณเนี้ยที่จะไม่อันตรายไม่มีอ ไม่หลายคนนะในวพดพทธศาสนาเนี่ยบวชไปทำความเพียรบางช่วงบางตอนรู้สึกว่าหนะลุดออกไปมีครอบมีครัวผู้พิธิตรชิวชาวบ้ า, วานพระพุทธเาว่าเดี๋ยวมันก็มาบวชหรอกนะพอมาบวชแล้วมันจะบรลรลุอรหันต์ในภพหน้าที่มันเข้ามาบวชเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดเกิดความเหนื่อยหน่ายนะ มีพรมะมจรรเมอเชสนะหลักปฏิบัติเขานะคือเป็นคนที่มากน้อยสันโดษมีอะไร น, น้อยๆแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของที่มีคุณค่าราคาแพงนะของที่มีคุณค่าราคาแพงเขาไม่ไม่ให้มีของเราบางทีนะถือเพศพระมจรรถือเพศเฉยๆนะ คือเพศแบบเราเนี่ยงดเว้นการทำแบบโยมแบบกราวานะการสั่งสมของดีของมีคุณค่าราคาเพงอะไรอย่างเป็นเหตุให้เกิดเป็นอย่างเงินทองเข้าของเนี่ยเป็นวัตถุอนามาตเป็นสิ่ง ท, ท, ที่ตามมาซึ่งความติดยึดผูกพันนะผูกมัดออกจากอารมณ์ไม่ได้ มันผูกพันมันเกี่ยวข้องนั่นเขาจึงไม่มีเรื่องปีณเขามาถ้ามีการสะสมอันนั้นอันนี้มันผูกพันอย่าเลยแล้วก็ห่วงนะห่วงการไปทุ่ดงกันไม่มีวัดมีว่าการไปน่นนุดด่นที่นี่มันมีข้อดีของมันดีของมันก็คือหนึ่งมีเฉพาะอธิบายไปสบายมานั่นแหละ แต่ในนี้เรามีเช็คมีบัตรเครดิตมีอะไรนะแล้วแต่เราจะทำคือมันสะดวกนะโหแต่ก่อนชาตรูปราชาตาอ้าวไม่มีไม่สะสมสิ่งของเงินทองถ้าสะสมเป็นอาบัาตนะิปาจิตตีปายจิตตีปาจิตตีก็สแสดงอาบัต แสดงกำบัดคือเลิกทำแบบนั้นเลิกทำเลิกทำคือเขาเรียกว่าทำเลิกทำคือจากทำคืนเสียนะทำคืนก็คือเลิกทำทิ้งมันไปอ่ะเหมือนจะฆ่าปฏินิสโคมาทั้งไหนคืนไปทางนั้นนะทิ้งไปไม่ให้มันมีแต่ถ้าแสดงกำบัดอยู่แต่ไม่เลิกอก็แสดงอบัดไม่ตกอืม เขาว่าไม่ตกเนี่ยคือมันไม่หลุดออกไปจากใจนะเนี่ยนั่นการประพฤติพรหมจรรย์เราก็เสียฟรีเบางทีเขาเรียกพรหมจรรยนีพรหมจารย์นีผู้หญิงพรหมจารีผู้ชายทั่วทั่วไปแต่จารย์นีผู้หญิงเน่ข่ำนี่แปลว่าออกบวชนะผู้ประพฤติถือศีลแปดขึ้นไปเขาเรียกว่าเน่ข่ำเน่ขมะจารีเนี่ย ผู้บวชพืชออกบวชในคำว่าจาลีนีผู้หญิงออกบวชคำว่าจารีนีผู้ชายผู้หญิงคล้ายๆกันนะคือใช้ศัพท์นี้ได้เหมือนกันเหมือนคําว่าปุริสระเนี่ยบุรุษแปลว่าคนตรงนี้เหมือนคําว่าเมนเนี่ยเป็นเมนเป็นฮิลแมนคือศัพท์มันคล่อมเลยเยอะนะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไร ทีนี้ถ้าหลักถือหลักปฏิบัติทำนี้ถ้าทําได้ในบางช่วงก็ถือว่าออกบวชไปเลยนะไปทดสอบทดลองใช้ชีวิตเนี่ยก็ออกบวชไปเพราะชีวิตมันสั้นๆ น, นะอย่างสังเกตดูเราบวชมาปีสองปีนี้เดียวหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมันนี้เดียวนะมันน้อยนิดบางทีเรามีความเพลินนะการการประพฤติปฏิบัติ ในหลักให้อย่างองพรามมันเนี่ยมีความเพลินมีความรู้สึกว่าเห็นประโยชน์มันนะเขาว่าเพลินนี่เห็นประโยชน์มันแต่บางทีมันไม่เห็นโทษของการคองเรือนเครือหัดนะเครือหัดมันมีช่วงนิดเดียวเองคือเขาจะแบ่งช่วงชีวิตเขาหมดเลยสมมตว่าอายุหกสิบปีเนี่ยแบ่งช่วงละยี่สิบยี่สบยี่สิบนะคิดไว้เผื่อเผื่อมันมีแต่บางทีเขา ตัดให้ที่แรกเอาแค่สิบซะให้สิบปีก็พอละไอ้คนดีๆไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะอายุสักสิบสี่สิบห้าเนนะี่ยเขาก็แต่งงานท่าว่าเราก็เหมือนกันนะแต่ก่อนอายุสิบหกปีเนี่ยแต่งงานแล้วอืมสมัยก่อนลงตาก็เห็นแต่แบบนั้นแหละสิบห้าสิ บ, สบกออกโรงเรียนเท่าไหร่อะ เราเรียนก็หยุดเรียนหนังสือปสี่ก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตั้งสามสี่ปีนะมันก็โตขึ้นโตขึ้นทําไรไถนานะเราก็มีสังคมเนาะเด็กอันนั้นอันนี้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแต่งงานแล้วถ้าเลยจะนีไปก็นะมันไม่มีถ้าเป็นพ่อพันเมียพันก็ไม่ค่อยดีแล้วหนะน่อไม้ก็ไปปลูกลำบากนั้นเขาจะแต่งงานประมาณเนี้ย ดังสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยจะทําหูทำไหว้ทำอะไรเงี้คนไขน้แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอายุการแต่งงานก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยเนี่ยเพราะมุ่งไปที่หาอาชีพนะการงานไปเรียนหนังสือขึ้นอย่างเงี้ยเสียเวลาเมื่อก่อนน้อยเสียเวลาไปกับการแต่งองานแต่งงานแต่ก่อนแต่งงานกับใครแล้วก็ผูกมัดอยู่นาน เนี๋ยนี้คือเป็นเหมือนของเล่นนะแต่ก่อนถ้าแต่งปุ๊บมือชื่อว่าแต่งกับงานนะแต่งงานก็เริ่มมีการมีงานล่ะเมื่อผมอาจริงเอาจังในชีวิตถ้าแต่งงานแล้วเหมือนเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบภนะิกษุณีในพุทธศาสนาเนี่ยอเขาจึงบัญญัติให้ว่าบวชตั้งแต่อายุสิบสองปีขึ้นไปนะไม่เหมือนพระนะพระเนี่ยอายุยี่สิบปี แต่ภิกษุณีนีบวชได้ตั้งแต่อายุสิบสองปีคือบวชได้ไวอะแล้วภิกษุณีปกติเขาก็ให้มีมียกทรงนะในวิ น, นัยเวลาไปถามอันตรายยิกธรรมคุณมีอันนี้ไม่ถามเมือนพระนั่นแหละถามเมื่อนพระอนั น, นะมม น, น, นโนซิโพริโซซิปุจิโซซิอนุญญาโตสิมัตะปิตุหีนะ อายันเตปโตอายังคือถามหมดผนะ้าจีวรบาทมีไหมมันจะถามตั้งยี่สิบสองอันนะนั่นอะถามยี่บสองอย่างพิสุนีที่จะบวชเนี่ยต้องมีด้วยมีผ้าอนามัยมีอะไรเขาจะถามผ้าอนามัยไม่เป็นโรคที่แบบน่นารังเกียจไหมผู้ผู้ชายเขาจะถามมาบวพระ น, นถามเรื่องแค่ สิ่งห่อหุ้มตัวก็จะทำได้น้อยไม่่นอกจากผ้าถามผ้าไตาจีบอลเฉยๆเนี่ยผู้หญิงก็จะมีผ้าโาครคภัยไข้เจ็บโรคหิตกลากเลื่อนโรคมองค่อโรคลมป้าหมูพวกเนี้ยทำนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคประจำเดือนเนี่ยทำ ประจําเดือนมาปกติไหมนะวิยเยลุกขึ้นมันก็เลือดเต็มอะไรประมาณเนี่ยเขาไม่ให้เป็นแบบนั้นนะประจําเดือนมาเป็นหรือเป็นคนโรคไหลไม่หยุดไหมหรือเป็นอย่างนั้นนี้ไหมเขาถามเยอะนะจะมีผ้าคือมียกทรงไหมรัดอกรัดอะไรประมาณเนี่ยมัดไว้นะนะนั่นเขาจะมีอ่ะแต่ เราทั้งหลายส่วนมากก็จะไม่ได้ ใ, ใช้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของคารวะไปซะก็ไม่ไม่มนะีแต่มีนี่เขาให้ซ้อนอยู่ข้างในเขาก็จะถามนะมีอันนั้นไหมนีไ่ไหมคือพูดไง่ายๆไม่ให้มันเป็นรูปเป็นทรงว่าได้แต่มัดไว้นะหลหลายคนก็ออกมาถือเพศนักพรตนักบวช เพื่ออะไรเพื่อต้องการประพฤติผอมจัญย์ให้มากเข้าผอมจัญย์ทางกายผอมบัญชันทางจิตทั้งจิตก็คือทําไงไม่จะลบอารมณ์พวกนี้ยทิ้งได้แม้มันมีตั้งแต่เริ่มจากการไม่คลุกคลีกันซ้ํารวมไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อยจนมาทั้งนู่นแหละะอืสามารถชําระล้างใจแล้วแหละแต่บางทีคนทั้งหลายบางทีความโลภความโกรธความหลงเนี่ย มันอาจจะลดได้นะความโลภโกรธหลงเนะี่ยมันเบาบางไม่ค่อยโกรธแล้วรู้สึกว่หาห้ามใจเป็นแต่กรรมฉันทะกรรมราคะเนี่ยมันลดไม่ได้บางทีสัดยังไม่เป็นยังไม่หลุดคือตอบเลยก็ตามที่สติน้อยเนี่ยความคิดพวกนี้มันเข้ามาป้วนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนเราสังเกตนะอันอื่นมันไม่ค่อยมีความโลภความโกรธความหลงผู้ปฏิบัติธรรม ที่เป็นก้อนกิเลสจริงๆเนี่ยทีนี้มันพอเจริญสติจะเจอแต่ลาคะทีเนี้ย่ยนี่มาตรงนี้มาทีไรก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้มันเจอตรงเนี้อ่ะนี่คือด่านของนักพสตนักบวชนักพสตนักบวชที่เราจะเป็นพระจริงๆก็คือต้องฟันฝ่ากับสิ่งเนี่ยเขาถึงเรียกไงถ้าทำได้เขาเรียกว่าโคตรภูคือต่อสู้กับอารมณ์นี่แหละที่คนทําไม่ได้ ความโกลธก็ดีขึ้นอยู่ความโลภก็ อ, อดีขึ้นอยู่ความหลงอารมก็ดีขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าข้ามบันี้ไม่ได้พรมมาจัรย์ก็ไม่มั่นคงคือก็จะถูกลบกวนด้วยราคะอยู่เนี่ยนะในที่สุดก็ต้องสึกขาลาเพศไปเพราะมันฝืนไม่ไดนะ้ความอยากมันมีมากเกินไปแต่ในวัยของพวกพรามเนี่ยเขาจะ ต่อสู้กับอารมณ์นี่มากเขาให้เวลากับมันนะตัวเขาตัดไว้สิบปีอย่างเนี้ยชีวิตเขาเนะื้อคือกลับว่าเขาก็ไปทําการทํางานเหมือนเดิมนะคือไม่มีโอกาสนะโอยต้องรีบศึกแล้วเนี่ยจะไปเป็นทํางานเป็นรัฐมนตรีไปสอบวันนั้นอันนี้พรามเขาไม่มีมันเอือ้อคุณเคยเป็นจันทนันคุณก็เป็นจันทนันนะคุณเป็นสูตรก็เป็นสูตร เป็นพรามคุณก็เป็นพราหมณเหมือนเดิมคุณไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นนั้นเป็นมันก็ง่ายหน่อยก็เหมือนเดิมคือไม่ต้องไปขนขวายดิน้นหลนแล้วมันเป็นวันณะที่เหมาะกับการบวชมากพราหมณ์เนี่ยวันณะมันเหมาะอ่ะเพราะเขาล็อกเอาไว้ไงจะไปเป็ น, น, นอื่นๆไม่ได้อยู่นานออกไปเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิ ม, ดมก็ไปที่อาชีพเดิมๆแต่ในศาสนาพุทธให้โอกาสให้โอกาสมาบวชได้หมดเลยคือ ไม่ว่าวันนัไหนก็มาเป็นพรามบ้านะเหมือนกันมาบวชเป็นพราหม์พราม์ก็คือผู้อทําลายกิเลสผู้สลายกิเลสได้เมื่าทําอาชีพนี้ได้มดเลยแต่พราหม์ในลัที่อื่นตระกูลอื่นพราม์แบบฮินดูแบบพราหมณเขาไม่ให้เป็นนะไปใช้ชีวิตแบบพราม์ไม่ได้ได้แต่แบบนี้เรถึงทาได้ดังนั้นเราก็ถือโอกาสมันมีโชคดีอะที่เราได้ทำอ่า พรชีวิตนึงก็ไม่มีอะไรอีกซะน้อยก็เอาไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เริ่มไปลงชื่นชมอยู่กับมั น, มนก็ไม่มีอะไรนะชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรแนละ้วเราเหมือนเกิดมาเราเหมือนโชคดีอ่ะแต่ในความโชคดีบางทีก็ใช้ชีวิตไม่ใช้ชีวิตแบบโลกโลกอยที่เขามีอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะ น, นั่นคนขวาย ปฏิบัติเอานะการสะสมแบบโลกโลกทำให้มันผูกพันนะการสะสมความคิดติดอารมณ์อยู่ในใจก็เป็นความผูกมัดแบบหนึง่งอันต้องให้มีจิตมีสัจจะมีตบะมีอจิสนะมีพรหมจันร์มีอะไรนี่เข้ามานู่ น, ะนแล้ว เข้าถึงธรรมชาติของจิตที่มันอยู่ได้แต่ก่อนไม่รู้เนาะปฏิบัติทำให้มันเป็นอัตตาทำให้มันเป็นอัตตาแต่อัตตาความหมายของพรามไม่เหมือนเราเขาฝึกเพื่อเข้าถึงอัตมันอัตมันอัตมันหมายถึงสมาธิทำจิตให้มันเป็นอัตมันเข้าถึงอัตมันเราก็มาเรียกว่าอัตมาอัตมันคือสภาวะจิตที่มันเป็นสมาธิมันสงบ แต่มันไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมเข้าถึงนิพพานจริงจิจิตปกติเป็นธรรมชาติที่เขาเรียกว่าปรมาตามันปรมาตามันนะแปลว่าอัตตาใหญ่เรามันแปลกันว่าอัตตาใหญ่อัตามันอัตตาเล็กอย่างนี้นะแต่ยิงอัตามันหมายถึงสมาธิจิตที่เป็นสมาธิเป็นฌานนะปั้นจิตในโยา่าเป็นอัตามันได้นะพัฒนาไปจนทั้ง บรรลุมรผลเนี่ยเขาเรียกว่าปรมาตตามันนั่นเขาก็มีวิธีการฝึกของเขาเองนะกลวงนั้น น, น่ะนักพระนักบวชก็ถือวิธีมาปฏิบัติประพฤติเป็นตัวเองแต่พอสักพักเมื่อกลายเป็นบางทีก็เป็นกามโพคีเป็นเทพเนี่ยอประพฤติปฏิบัติตนเป็นเทพนิกายเทพนิกายคือ ประพฤตตัวเองเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ให้ความเคารพนัำถือแล้วหลงเลยเหมือนบ้านเราเนะ่เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นลือสีเป็นคนน้ำหน้าถือตาเอาไปมล้วหลงไปเลยเนยะฉะนั้นเราส่วนหนึ่งได้ยินได้ฟังมาเยอะปฏิบัติทรรม เ, เหลือแต่พยายามประคองจิตตัวเองนั่นเองอุปนานไปนุนตาจะไปอุดอรธนานีนะวันเนี้ย ให้ตอนเช้ากับพระอีกสักหกรูปเนี่ยนะทั้นพวกเราอยู่ก็มีอะไรครับช่วยกันนะพัฒนาไปไม่มีอะไรทำสาวเสร็จหมดแล้วก็เดินจงกลมเล่นๆนะเพราะเราไม่ได้มีอะไรมากมายเดินจงกลมเล่นๆหายใจเล่นๆหายใจแบบไม่เอาอะไรหายใจเล่นคือดูลมหายใจเล่นๆทํำเล่นๆไม่ใช่ว่าหายใจก็ไม่เห็นลมหายใจ ไมรู้ไปอยู่กับอะไรอะความคิดเนี่ยเดินจู ก, กลมก็ไม่เป็นการเดินมันอยู่กับความคิดอยู่กับความอยากทำเล่นๆรู้สึกตัวทีนี้ปัญหาที่เขาบอกเล่นความเพียรทำมันเข้มแข็งคือเวลามันไปเจออารมณ์อะไรที่มันที่แรกว่าเดินเล่นนะแต่ความคิดเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีการต่อสู้กันละนะเออต้อง อ, อนะ่อนจนมันชนะได้ก็กให้พอดีหลวงปูเลิเนท่านมานะ อยู่ด้วยเห็นท่านมาเมื่อวานวันก่อนพูดล้มปูเลินล้มปูเลินก็มาอีกล้มปูเลินหนึ่งพูดยังไม่มาท่านก็มาเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะให้ล้มปูเลินกับคุบาเจดอยู่วัดวินทาบาตนี่แหละนั่นนั้นก็ไป กับหลงตาสักสองชั่วโมงเกือบมาไปหาทำธุระข้างนอกสักพักเอาย่ามไปด้วยนะถือย่ามไปคนละใบอา้าวเตรียมตัวครับไปพร้อกัน